ได้พยายามตะเกียกตะกายเขียนปฏิปทาพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นมาก็รู้สึกว่าเป็นภาระอันหนักสําหรับผู้เขียนอยู่มากแต่ความหนักนี้ก็ยังเป็นการรองการเขียนประวัติท่านพระอาจารย์มั่นจึงพอมีเวลาหายใจได้บ้างแม้จะเป็นภาระหนักในการเขียนแต่ก็ได้พยายามจนสุดกําลังความสามารถเรื่อยมาดังนัานผู้อ่านทั้งหลายได้เห็นได้อ่านอยู่เวลานี้ผิดถูกดีชั่วประการใด จําต้องยอมรับคำติชมโดยไม่มีข้อแก้ตัวเราสุดกำลังจริงๆทั้งสองเรื่องรักกรรมฐ า, านสายท่านพระอาจารย์มั่นนั้นมีมากนับแต่รุ่นหัวปีรุ่นกลางรุ่นสุดท้ายแล้วรุ่นหลานเลนที่ได้รับการอบรมสืบทอดปฏิปทาสายเดียวกันจนปัจจุบันแต่การเขียนปฏิปธานี้ได้เคยเรียนไว้บ้างแล้วว่าขอแม่ระบุน้ำท่านประกอบ ในปฏิปทาที่ท่านดำเนินเพราะเป็นความไม่สะดวกสำหรับผู้เขียนและองค์ท่านเองดังที่เคยระบุนามท่านมาบ้างแล้วในเล่มประวัติรู้สึกเป็นความขัดข้องสำหรับท่านผู้เป็นเจ้าของเรื่องที่ผู้เขียนนำมาลงบางท่านเคยต่อว่าให้ผู้เขียนบ้างเหมือนกันซึ่งก็เห็นด้วยกับท่านและยอมรับไม่ฝ่าฝืนคราวนี้จึงได้ระ ง, งับการระบุนามท่านเสียเหลือแต่ปฏิปทาคือข้อปฏิบัติ ซึ่งนำมาลงอยู่เวลานี้การปฏิบัติของแต่ละองค์มีความหนักเบาไปในแง่แห่งธรรมะต่างๆกันองค์ที่หนักไปในแง่ใดเช่นอดนอนผ่อนอาหารเป็นต้นท่านก็เร่งดำเนินทางนั้นโดยสม่าเสมอจนเห็นผลประจักษ์ใจโดยลำดับไม่มีการท้อถอยอ่อนแอแต่ผลที่ได้รับจากวิธีนั้นๆย่อมเป็นความสงบสุขทางจิตใจ และเกิดสติปัญญาเป็นชั้นๆซึ่งเป็นธรรมะเครื่องหนุนจิตให้ถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงสำคัญที่จริตนิสัยกับบทธรรมะที่นำมากำกับเป็นคำบริกรรมภาวนาไปตามขั้นเป็นรายรายไปมีได้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้ให้การอบรมสั่งสอนนักที่จะชี้ขาดลงแต่ผู้เดียว และมอบบทธรรมบทเดียวบาทเดียวกันแก่คณะสิทธิ์เป็นจำนวนมากไปปฏิบัติภาวนาโดยไม่คำนึงจริตนิสัยของสิทธิ์เป็นเรไ ร, รไปเราจะทำให้ขัดต่อจริตของสิทธิ์รายที่ไม่ถูกกับธรรมบทนั้นบาทนั้นแลาจะไม่เกิดผลเท่าที่ควรอาจารย์เป็นเพียงคอยแนะแนวทางให้หลังจากอธิบายธรรมะหลายบทหลายหมวดให้ฟังและผู้มาศึกษาอบรม เลือกนำไปปฏิบัติจนปรากฏผลมาเล่าให้ฟังตอนใดที่เห็นว่าจะควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอย่างไรก็ชี้แจงให้ฟังเป็นรายยไปไมิใช่ผู้ชี้ขาดในการมอบบทธรรมะให้สิทธิ์โดยถ่ายเดียวนอกจากอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในธรรมะปฏิบัติและฉลาดรู้ปรจิตตาวิชาคือสามารถรู้อุปนิสัยและวาราจิตของผู้อื่น พร้อมกับอุบายแห่งการสั่งสอนได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเท่านั้นจึงจะสามารถชี้ขาดได้ตามความรู้เห็นอันถูกต้องของตนแต่สมัยนี้จะมีใครบ้างที่สามารถฉลาดรู้ได้ในธรรมะดังกล่าวนี้รู้สึกจะหายากยิ่งกว่าเพชรนินจินดาเป็นไห น, ไหนเพียงจะปฏิบัติตนให้รู้ถึงเหตุถึงผลของกิเลสที่เกิดมีอยู่กับใจแต่ละรายจนสามารถถอดถอนออกได้ประจักใจ แล้วนำมาสั่งสอนคนอื่นด้วยความถูกต้องแม่นยำก็ยังหายากจนแทบจะกล่าวตู่พระพุทธศาสนาว่าเป็นโมฆะหาสาระไม่ได้อยู่แล้วทั้งที่พุทธศาสนาเป็นสถาบันรับรองมรรคนิพพานมาแต่องค์พระศาสดารากเริ่มตรัสรู้ตลอดมาจนปัจจุบันวันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ในบรรดาพุทธบริษัทจะมีใครบ้างหรือไม่ที่ทรงไวซึ่งปรจิตตวิชา สามารถรู้อุปนิสัยและวาราจิตของผู้อื่นพอจะกล้ายืนยันสั่งสอนด้วยธรรมะเพียงบทเดียวบาทเดียวโดยข้อยืนยันทางภายในของตนและทำให้บรรดาศิษจจำนวนมากมายได้รับผลเป็นที่พึงใจไปโดยลำดับจนสามารถบรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยไม่มีการยักย้ายเปลี่ยนแปลงธรรมะไปตามภูมิจิตภูมิธรรมและความเปลี่ยนแปลงของกิเลสอาสวะ ซึ่งเต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนยิ่งกว่าตามรอยโคในคอกเป็นร้อยเท่าพันทวีนอกจากจะสั่งสอนด้วยพละการในฐานะที่เขายกย่องว่าเป็นอาจารย์มากกว่าความมีคุณธรรมภาคปฏิบัติภายในใจผู้เขียนจึงไม่แน่ใจนักเลยในการสั่งสอนด้วยธรรมบทเดียวบาทเดียวเพราะตัวเองก็เป็นพระประเภทล้มลุกคลุกคลานมาประจาฐานะและนิสัยอยู่แล้ว แต่เมื่อมีท่านผู้ฝักใฟใกลธรรมมาศึกษาไต่ถามก็เรียนตอบไปแบบมือหนึ่งจับงูอีกมือหนึ่งจับปลาอย่างนั้นเองเพื่อผู้ศึกษาจะได้เลือกถือเอาตามอัธยาศัยไม่ขัดต่อจริตถ้าจับเพียงมือเดียวเพื่อถูกมือที่จับปลาก็ดีมีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นอยู่บ้างเพื่อไปถูกมือที่จับงูเข้าก็จะเป็นภัยแก่ผู้มาศึกษาไม่มีประมาณ คือใครมาหาเพื่อรับการอบรมก็สอนแต่ธรรมบทเดียวบาตรเดียวดักไปเลยเปล่ากับศาสนามีธรรมะสอนโลกเพียงเท่านั้นทั้งที่ศาสดาและสาวกทั้งมวลมีได้สําเร็จจากธรรมบทเดียวบาตรเดียวแต่สําเร็จด้วยธรรมะแง่ต่างๆกี่ร้อยกี่พันนัยยะและทรงสั่งสอนและสั่งสอนโลกด้วยธรรมะที่นับพอประมาณที่สัตว์โลกจะพึงรับได้แต่รู้สึกน้อยมาก สำหรับความรู้ความฉลาดแห่งภูมิของพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมศาสดาของโลก